ทีนี้ต่อไปว่าครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองค์โคลิมา น, นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลคว้างไปโดยแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองค์โคลิมานเป็นพระอารหันต์เลยนะเดินบิณฑบาตเนี่ยนะเขายนหมากาไก่ที่ไหนองลมาตกใส่ท่านอีกนะเนี่ยนะมันท่านพระองค์คลิมานมีสีสะแตก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 พองก็ยังพูดให้กำลังใจอยู่เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอจะพึงหมกไม่อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากนะคือหลายปีมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะไอกรรมที่จะหมกไม่ในนรกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันให้แค่ชาตินี้เท่านั้นแหละนะนะซึ่งท่านอธิบายว่า ยะสะัสโคตวังบ ร, รมณกัมมัศวิปาเกเญน้ท่านกล่าวไม้เอาทิฏฐธรรมะอวยธนิกรรมที่เป็นสภาฆะกันจึงอยู่กรรมที่ท่านกระทํานั่นแหละย่อมยังส่วนทั้งสามให้เต็มด้วยชวนาจิตดวงชวนาจิตดวงแรกเป็นกุศลหรืออกุศลก็ย่อมชื่อว่าทิฏฐธรรมะอวทธนิกรรมกรรมนั้นย่อมให้ซึ่งวิบากในอัตภาพนี้เท่านั้น นะดวงที่หนึ่งเนี่ยถือว่าชาวนะดวงแรกเนี่ยมีกําลังมากนะเพราะชาวนะดวงที่หนึ่งจึงให้ผลในชาตินี้เท่านั้นเมื่อไม่อาจเช่นนั้นก็เชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมไปนะทมหากว่าไม่ให้ผลก็เป็นอโหสิกรรมชาวนะจิตดวงที่7็อันยังประโยชน์นะอันให้สำเร็จประโยชน์ชื่อว่าอุปชาวเวทนิยกรรมกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพถัดไป เมื่อไม่อาจเช่นนั้นกรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมถ้าดวงที่เจ็ดไม่มีโอกาสให้ผลส่วนชวนาห้าดวงในระหว่างกรรมทั้งสองย่อมชื่อว่าอัปราปริยะเวทนิยกรรมกรรมนั้นย่อมได้โอกาสเมื่อใดย่อมให้ผลเมื่อนั้นในอนาคตเมื่อยังมีการเวียนว่ายอยู่ในสงสารชื่อว่าอโหสิกรรมย่อมไม่มี ถ้ายังไม่เป็นพระอาหารเนี่ยไม่เป็นอโหสิกรรมแน่นอนถ้าอยู่ยังอยู่ในสงสารสงสารคืออะไรคําว่าสงสารเนี่ยเป็นชื่อของอะไรลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารนะลําดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปนะเรียกว่าสงสารนะเออแล้ววัตตะเป็นอย่างไรวัตตะก็คือวัตตะส่วนใหญ่แปลว่าบนใช่ไหม วนเวียนหรือวงกลมอะไรมีสามอย่างนะวัตตะมีสามหนึ่งกรรมวัต ร, 3, 1, ร, ว, ตรวิปากวั ต, ววตและกิเลสวัตขณะนี้มีกรรมไหมอะไรเป็นกรรมเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยอะไรเป็นกรรมนั่งเขียนหนังสือเนี่ยอะไรเป็นกรรมเจตนาที่ทำให้เกิดจิตตรชูบในการขีดเขียนเจตนาอนั้นเรียกว่ากรรมะกรมกรกรมตัวนี้เนี่ย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 ถ้าหากว่ายังมีขันธาตุอายตนะอยู่จะให้ผลได้แต่ถ้าหมดขันธาตุอายตนะแล้วก็ไม่ให้ผลพ <c oughs> นเมื่อวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นพอวิบากเกิดขึ้นขณะนี้มีวิบากไห ม, ไ, มได้ยินเสียงอะไรเป็นวิบากโสต ะ, ตะหูใช่ไหมเป็นวิบากออใช่ได้ <c oughs> หูเป็นวิบากใช่หรือเปล่า <c oughs> ถูกไหม หูเป็นกรรมมชรูปโสตาก็เป็นผลของกรรมแต่ไม่ใช่เวียวิบากแต่ก็เรียกว่ากตัตตารูปหูก็เป็นผลของกรรมจิตได้ยินเสียงก็เป็นผลของกรรมเสียงนี่เป็นผลของอุตุ ก, กับจิตนั่นเองอะเพราะฉะนั้นพวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงก็เกิดภาษาเวทนาใช่ไหมเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหา ปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานกิเลสเกิดอีกแล้วอุปาทานทำให้เกิดเจตนาอีกก็วนอยู่นนั้นเลยถ้าพูดถึงสงสารนะถ้านึกไม่ออกนะก็ก็คิดถึงเรื่องจิตก็แล้วกันจิตจะมาเกิดติดต่อกันไม่ได้ขาดเลยไม่ได้ขาดเลยอ่ะมันทักแวบเดียวแม้กระทั่งหลับตื่น ตายไม่ตายชานี้ชานาบุรุษมันไม่ขาดสักดวงห<ช>นึ่งเลยนั่นแหละสงสารชีวิตของเรานั่นแหละที่เป็นไปยสังสารละนั่นแหละเ่นวาถ้าพูด ถ, ถึงจิตแล้วเจตสิกด้วยไหมก็แน่นอนถ้าพูดถึงจิตก็ต้องเจตสิกด้วยแล้วรูปด้วยไหมจิตเกิดร้อยๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กเท่ากับขันนั่นแหละเพราะะฉนั้นพระองค์ุลิมาณั้นน่ะในกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะพระ อ น, นะอุปชาเวทนิยกรรมกับอ ร, ราปริยาเวทนิยกรรมอันอรหัตตมักตัวกระทํากรรมให้สิ้นถอนขึ้นเสร็จแล้วนะกรรมดําให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวให้วิบากทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวคืออริยมักอันประกอบด้วยองค์8เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพราะฉนั้นอรหัตตมักของพระองค์คลีมานนั่นแนหะตัดกรรมเรียบร้อยเลยอ น, นะไอที่ประเภทอุปชาเวทนิยกรรม จะไม่ให้ผลต่อไปอปิราเปรย ะ, ะเวทนียกรรมชาติบางไหนก็จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปกรรมอันนี้เรียกว่า น, นะกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะส่วนกรรมที่ท่านยังได้รับผลอยู่ก็คือบินทบาทแล้วบาดก็แตกถนะ้าบาดแตกนี่จะถูกเนื้อบ้างไหมเนาะถึงอยู่แล้วเนาะสังคติขาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องถึงเนื้อถึงเลือดบ้างอะเนาะใช่ไหม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 ก็บอกว่าเหมือนกันลงไปในหนองน้ําอ่ะถึงมีปลิงอยู่ตัวเดียวมันก็กัดได้จนกว่าจะยืนบนบกนั่นแหละต้องเห็นว่าอาริยมรรติองค์แปดนี้นะมรรคจิตผลรจิตเนี่ยนะเป็นยอดของประโยชนค่าจริงๆนะชเพราะว่ากรรมมหาศาลขนาด น, นั้นนี่นะวิบากขนาดนั้นนั้นหลีกได้นะโอ้โหนี่เรื่องเหมือนใหญ่โตมากนะครับรที่จะหลบลีกอนนั้นได้ไม่ให้ได้ผลแกปัญหาได้อะโอ้โ ห, ห ไ, ไม่ง่ายเลยไม่ใช่ของเล็กน้อยนะ เขาจึงเรียกว่าพระอรหารนี่ก็คือขึ้นเหมือนกับเป็นพรามก็คือขึ้นฝั่งะนะผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัตก็เหมือนกับอยู่ในกระแสน้ําในกระแสน้ําซึ่งเต็มไปด้วยจระเข้ปลาไหลนะทุกภัยต่างๆมากมายาภัยเหล่านั้นที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะไม่มีสําหรับคนที่อยู่บนบกะนะผู้ที่ยังอยู่ในน้ําอยู่เนี่ยก็จะรับกรรมเหล่านั้นไปเรื่อยนะเผลอเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็โดนละแต่คนที่ขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยนะ สาตร้ายในน้ำทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะฉลามจะร้ายขนาดไหนถ้าอยู่บนฝั่งเนี่ยสู้เราไม่ได้เลยนะต่อไปว่าครั้งนั้นท่านถ้าองคุริมานได้ไปที่ลับนะหลีเกรนอยู่สเสววิมุตติสุขนะวิมุตติสุขในที่นี้หมายถึงเข้าพระสมาบัติเข้าอารหัตผลละจิตสืบเนื่องกันทีงหลายๆายชั่วโมงอย่างี้ เขาเรียกว่าสเสวยวิมุตติสุขตั้งกาหนดเลยนะเช่นฉันเสร็จแปดโมงเช้าออกสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยที่เหลือนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเลยนะไม่มีผวังขั้นด้วย mm. คิดดูว่า mm. ท่านจะมีความสุขขนาดไหนน ะ, ะแค่หลับสนิทใช่วใจตื่นมาก็สดชื่ น, น, ะนะ mm. แน่นอนแต่ของท่านเนี่ยโหมีอ่านิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจิตของท่านเนี่ยจะมีความสุขมาก mm. พอออกจากพลจิตยอย่างนี้แล้วก็เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า mm. ก็ผู้ใด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 คือกระทําความมืดคือกิเลสอันตนขจัดเสียแล้วเหมือนอย่างพระจันทร์ไม่มีอุปกิเลสดังกล่าวมาชนีดชื่อว่าย่อมอย่างโลกให้สว่างสวัยฉะนั้นคําว่าโลกในที่นี้เนี่ยทําโลกให้สว่างโลกไหนโลกแห่งขันธาตุอายตนะนั่นเองอะนะเพราะว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยที่เศร้าหมองเพราะกิเลสนั่นเองนะอย่างเช่นวิญญาณขันชาวนาจิต ท, ทั้งหลายเนี่ยนะ หรือพวังขจิตของของคนทั่วไปเนี่ยไม่เศร้าหมองแต่ชาวนาจิตทำไมเศร้าหมองนะก็บอกว่าเหล็กทำไมจึงเศร้าหมองเพราะสนิ ม, น, มนั่นแหละใจของเราก็เหมือนกันเพราะอากุศลเจตสิกนั่นแหละที่เกิดร่วมกับสภาพจิตเหล่านั้นจิตเหล่านั้นก็เป็นจิตที่เศร้าหมองถ้าหากว่าจะข้อสนิมให้ออกทำไงดีสมมติถ้าเราเป็นนายช่างทองเนี่ยนะ ได้ได้ทองมาแก้วหนึ่งขนาดนี้เลยจ ะ, ะในเนี้ยโอ้โหทั้งทั้งทองแท้ด้วยทั้งสนิมอยู่ด้วยจะทํำยังไงออกทํายังไงน ะ, ะนะใครเรียกว่าต้องเข้าเบ้าใช่ไหมอาศัยความร้อนเนี่ยเข้าไปความร้อนที่มีมากมากเข้าเนี่ยนะถ้าความร้อนได้พอดีมันจะไอพวกสนิมเนี่ยมันค่อยๆปัดออกไปก็บอกว่าไม่รู้มันหมดไปได้ยังไงนที่เรเจอความร้อนแล้วพวกนั้นหายไปเหลือแต่ทองคำที่ บริสุทธิ์ดุดแท่งทองชมพูนุชชันใดว่างั้นผู้ที่ได้ความร้อนอะไรคือความร้อนในศาสนานี้อาตาปีอาตาปะ น, นะอาตาปะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนอันนี้มาไล่สนิมออกไปเพราะนั้นอาตาปะหรือสัมมาวายามะจึงเป็นหนึ่งในมักแ8ดในการขจัดปัดเป่าบาปอกุศนเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้กิเลสร้อน งองค์มรแปดยังมีสัมมาวายามะอยู่ด้วยถ้าร้อนถ้าร้อนมากๆถึงที่สุดนะถ้าร้อนระดับหนึ่งเนี่ยยังเกิดอีกเจชาติคล้ายๆกับเรามีมาเมล็ดพันุ์สักเม็ดหนึ่งมาใช่ไหมถ้าหาว่าความร้อนได้ระดับนี้ปลูกได้อีกเจดครั้งแต่ความร้อนมากขึ้นปลูกยังมากเกิดอีกสองครั้งถ้าความร้อนถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเปื่อยเลยปลูกไม่ขึ้นอีกแล้วสภาพจิตของร ของผู้ที่ยังไม่หมดอกุศนไม่หมดกิเลสก็เหมือนกันถ้าความร้อนคืออริยมรรคเกิดจนถึงเผากิเลสไม่ได้นะก็บอกว่าไม่ต้องถามหาที่สุดนะมันจะลามไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ย เ, ยเยมเล็ดพันธุ์มันยังมีอยู่ใช่ไหมเพรนั้นกรรมเนี่ยเปรีเหมือนกับพืชอ่ ะ, อะคำ ว, ว่าปลูกพืชเช่นใดก็จะให้ผลเช่นนั้นแหละเพั้นกรรมเนี่ยจึงเป็นเหมือนพืช เพราะปลูกไปเรื่อยๆเกิดในพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่า แ, แ, แต่ก็สนุกดีนะสนุกไหม <c oughs> เป็นพักๆอะนะแต่ส่วนใหญ่จะสนุกนะนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ไม่สนุกเลยนั่งรถมาในี่ขนลูกหลายครั้งแล้วกนันกลัว ก, วกรรมแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ฟังเรื่องกรรมมาแล้วหมายรู้สึก น, นะ <c oughs> เห็นเรื่องกรรมชัดเจนขึ้น น, นะ <c oughs> โหโทษของสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆ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 เจตนาของแต่ละท่านแต่ละท่า น, แ ต, านแต่ละท่านเนี่ยซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เสมอต่อคนนั้น น, นันนะถ้าเขาได้ปัจจัยพร้อมเจตนาตัวนั้นจะแปลสภาพมาทันทีเลยทั้งดีและชั่วที่ดูนะบางอย่างไม่อยากเห็นก็เห็นนี่พีเสื้อบีนมาให้เห็นเนี่ยจะครูวิ ญ, ญญาณเป็นอะไรเป็นอกุศลวิบากใช่ไหมเนี่ยผลของอกุศลมันให้ผลทันทีเลยได้ปัจจัยพร้อมเขาให้ทันทีเลยพอมองเห็นสายใจโยมอาจารย์ต๊บ อ่ะคุณลจิตเกิดแหละใช่ไหมไอ้คุศลวิบากเกิดตั้บมันสลับกันนะวิบากเนี่ยมันให้ผลวิจิตมากมายมหาศาลถามว่าจับไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่ต้องรับวิบากเลยมีไหมไม่มีนะที่ที่ไม่ต้องรับวิบากเลยอะ่ะนอกจากพระอาหารหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นเองที่ไม่ต้องไม่วนกับจิตชาติวิบากอันส่วนใหญ่ก็จะรับวนเวียนอยู่กับจิตชาติวิบากอยู่ตลอดอันนั้นไม่ว่าจะเป็นขณะเห็นก็ชาติวิบาก ขณะได้ยินก็เป็นชาติวิบากหายใจเข้าได้รับกลิ่นต่างๆก็ชาติวิบาก น, นรับกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้านี่นะเกิดเจ็บปวดส่วนใดหรือสบายส่วนใดก็ตามนั่นก็คือจิตชาติวิบาก น, นวิบากเหล่านี้นะจิตวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไร น, นวิญญาณเนี่ยนะอาศัยวัตถุคือกายอารมณ์คือโพธะะแต่จิตนั้นมาจากเจตนานะ แต่ภาชนะของเขาคือกายกับโพธะะนะเป็นที่ที่เกิดขึ้นของเขาแต่ว่าเขาเป็นผลของเจตนาอันถ้าหาว่าเราไม่ใส่ใจไม่สำเนียกมักเมกในในคาว่าวิบากและกรรมมชรรบนะถ้ากรรมมกตา์เราไม่มั่นคงเนี่ยออริยสัพเนี่ยรู้สึกจะไ ก, กลเกินเรียกว่าคื อ, อการพิจารณาเรื่องกรรมมกตา ก, ก็คือยาตะปริญญานั่นเอง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 แต่ของเราให้รู้ว่าคําสอนกล่าวว่าจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมนะนะถ้าวิบากที่ได้รับเนี่ยเสียงที่ดีเป็นกุศลวิบากแค่นี้เราก็ได้ดีพอระดับหนึ่งแล้วแหะเชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วอันสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดนะรพรหมจารย์ก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองอันสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีความสําคัญมากก็เพียงเพียง เพียงเราตรึกเท่านั้นนะก็ก็ชื่อว่าเป็นการตรึกที่ถูกใช่ไหมครับเช่เนสมมุติว่าถ้าเราเห็นภาพที่ไม่ดีของใครสักคนหนึ่งนี่นะเช่นเช่นพิการอย่างนั้นใช่ไหมเช่นพานแล้วเราตรึกว่าอผลที่เขาได้รับนั้นเนี่ยต้องมาจากเหตุไม่ดีเนี่ยนะเช่นพานเพียงเราตรึกเท่านี้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็ น, นอันนั้เนเยเป็นสัมมาทิฏฐินะ ความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิการตรึกในเรื่องกรรมมากๆเป็นสัมมาสังกปะครับเป็นทำไมองค์มรรคแปดจึงเรียงตามลําดับแบบนั้นก็บอกว่าบุคคลเมื่อเห็นอย่างไรไอเห็นในที่นี้หมายถึงความความความเห็นนะ่ะนะตัวทิฏฐิไม่ใช่จากครูเห็นถ้าเขามีทิฏฐิอย่างใดเขาก็จะคิดตามนั้นอันพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาสังกปะ ต, ต่อจากสัมมาทิฏฐิก็จะคิดตามที่เข้าใจนะความอาทิฏฐิก็คือความเข้าใจก็ได้ เข้าใจวันนี้เป็นกรรมและผลของกรรมปั๊บคิดเรื่องนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะ <c oughs> คนเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยเข้าคิดและจะพูดปองก็เลยเรียงสัมมาวาจาต่อมาคนเมื่อพูดยังไงแล้วก็จะทําไปตามนั้นอันนั้นเป็นสัมมารกรรมมันต์อะอาศัยพื้นฐานข้างบนดีขึ้นระดับหนึ่งสัมมาอาชีพจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นอั้นก็เรียงสัมมาอาชีวะต่อไป ทีนี้คนที่มีสัมมาอาชีวะถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาวายามะต่อมานะในความสำคัญของของความเพียรพยายามอันความเพียรพยายามไม่ได้ทำด้วยความประมาทต้อง<ม>ทำด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นสัมมาส ต, สตนะิแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านเรื่องทั้งหมดนียเกิดภายในแวบเดียวนะครับเมื่อ เ <c oughs> มื่อเราศึกษาไปเนี่ยแล้วเราก็เมื่อเมื่อเห็นคนพิการเนี่ยเมื่อเห็นทุกคนพิการเนี่ยสติเกิดนีแม้ก่าว่าสติเกิดปป๊บเนี่ยถัากับจับขึ้นมาแล้วจับคนพิการมาแล้วแล้วตึกตึกนะตรึกไปเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยสมาสังคป่าตรึกว่านั่นเป็นผลของกรรมเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นสมาธิถี่ละเป็นสมาธิแล้วก็พอพูดออกมาด้วยความเมตตาหรือว่าสงเคราะห์เขาเนี่ย เป็นสัมมารกรรมตาแล่ะเพื่อจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นี่นะพอเป็นกุศลนี่นะพอทิฏฐินำหน้าเป็นหัวหน้าใหญ่นี่อย่างอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยเพื่จะพูดกับเขาก็พูดด้วยเมตตาได้เพ่อจพูดกัะเปาก็พูดด้วาจมตตาได้เ่จะพูดกับเาก็พูดา้วยเมตาได้่อีดกับเขาก็จะเป็วสมาได้เพื่อกมัมเาก็ด้วยเมตตาไา้เกื่อจะพกเขาก็พดด้วยเมตาด้นพื่อูรกบเาก็ูดด้มด้เพืจะเป็นประเภท สัมมาอาชีวะเป็นชีวิตที่เป็นไปกับกายวาจาที่ไม่มีโทษนั้นก็เป็นชีวิตที่ไม่มีโทษก็เป็นสัมมาอาชีวะเขาเรียกว่าเป็นอุดมชีวิตอ่ะนะอนาถมินทิกาเศรษฐีก็บอกว่าเป็นชีวิตอันอุดมชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยสัมมาอาชีวะก็น่าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าใครยังไม่เข้าใจอริมัคมีองแปด ก, ก็ก็เข้าใจตอนนี้นะครับก่อนอื่นเอาหองค์ก่อนนะเอาห้าองค์ก่อน เพราะว่าข้าองค์นี้คืต้องเกิดพร้อมเลยนะครับส่วนองค์ที่หกที่เจ็ด น, นั้นอาจจะมีมาก็ได้แต่ยังไม่ครบทั้งแปดแต่ที่สาคัญมากนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีสัมมาวาจาระดับหนึ่งสั ม, มาธิฏฐิเกิดยากนะนะถ้าไม่มีสัมมากรรมันตะระดับหนึ่งสั ม, มาธิฏฐิก็เกิดยากปกติเป็นคนที่พูดนะความชั่วในปากเนี่ยสมบูรณ์เลยนะโกหกก็เต็มไปหมดเลย ซอเสียดนินเขาเรียกว่าซอเสียดก็คือประเภทนินทาว่าร้ายนะอันนั้นคือสอเสียดกดเต็มไปหมดเลยแล้วพูดสวาจาเนี่ยพูดใครคําด่าคำหนึ่งนะพูดคําตําหนิคําอ่ะพวกนี้เป็นลักษณะของวาจายาดแล้วเรื่องที่พูดไม่เกิดประโยชน์สักอย่างหนึ่งส ม, มาธิทิฏเกิดได้ง่ายไหมโอ้กุศลจิตเกิดแทรกยากนะอะส ม, มาธิที่นั้นต้องเป็นกุศลที่เป็นญาณสัมปยุตฮันกุศลญาณสัมปยุตนั้นถ้ารักษาวาจาไม่ดีระดับหนึ่งกุศลชนิดนี้เกิดไม่ได้ เกิดก็เกิดยากเต็มทีเลยนะ แ, แทบจะกล่อมเหมือนกับปลูกอ่าปลูกข้าวผิดผิดที่ผิดฤดูกาลอ่ะนะแสดงว่าเรื่องเรื่องการเจริญอาริยมัชมีองคปดนีมันเป็นการปรุงแต่งที่ที่มีหลายหลายเหตุหลายปัจจัยนะเ <จน S 2> ขาม า, าช่วยกันปรุงแต่งแล้วสุดมันเขาจะช่วยกันด้วยนะเป็นอัญญมัญญะปัจจัยไหมครับ ส่วนใหญ่การเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นประเภทปกตูปะนะตระกูลอุปนิสัยปัจจัยแต่ในขณะที่เขาเกิดขึ้นเป็นอัญญาขณะนั้นๆเนี่ยเป็นอัญญะแก่กันแต่ในการเจริญกุศลนั้นนะขณะใหม่ขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งการเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นปกตูเป็นลักษณะของปกตูปะก็เหมือนกับอย่างนี้นะพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมก็คนเดียวกันก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่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 นั้นความสืบเนื่องกันมานั่นเองนั้นกุศลจิตที่เราเจริญนะคนละวิถีเนี่ยต้องมีผวังขั้นก่อนแต่ว่าวิธีแรกนะสมมติว่าวิถีที่หนึ่งทั้งเจ ด, ดวงเลยนะอนุภาพก็จะน้อยหน่อยแต่วิถีต่อมาก็จะโตขึ้นอีกนิดหนึ่งวิถีใหม่อีกโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งวิธีใหม่อีกโตขึ้นอีกปีนี้โตเท่านี้ปีหน้าโตขึ้นหนึ่งระดับสติปัญญาก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้น ลักษณะนี้เรียกว่าปะกะตูปะนิสยาป จ, จัยนั่นแหละฮัลการเจริญกุศลเจริญมักมีองค์แปดนั้นเจริญเอาอุปนิสัยเพื่ออริยมรต่อไปไม่ใช่เจริญเอาผลคือไม่ใช่เจริญนันนาคขาขณิกะตมเพื่อต้องการวิบากแต่ต้องการอุปนิสัยที่ดีมากขึ้นเรียกว่าเจริญกุศลเพื่อกุศลหรือสำนวนพระไตรปิฎกใช้คําว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่ โลกุตรธรรมคือท่านอาจารย์สมบัติกําลังอธิบายาเรื่องประตูเนี่ยหมายความว่าที่ท่านเรียนอยู่วันนี้เนี่ยนะที่ท่านเรียนเนี่ยได้ฟังอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะแต่ถ้าพรุ่งนี้นะท่านสามารถที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะนั่นแหละเหตุปัจจัยที่ทําวันนี้นั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้เป็นอุปนิสัยเป็น ป, นประตูปัญเชียปัจจัยให้พรุ่งนี้เนี่ยได้มีพิจารณาก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดเรื่องกรรมน้อยไปหน่อย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 เพราะนั้นเราอยากจ ะ, ะเขาบอกว่าความคิดบางอย่างเหมือนสลัดได้อะนะมันสลัดจะให้คิดต่อก็ได้จะไม่ให้คิดต่อก็ได้สมมตินายงพุกการเนี่ยจะคิดให้มันเป็นงานไปตลอดนะถ้าดึงเอสําคัญมากนะถ้าใสา่ใจสักสามสี่ครั้งนะสาคัญมากเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้เสร็จแล้วนะจิตมันจะคิดเรื่องนั้นเลยแต่ถ้าคิดว่าไอ้นี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เบียดเบียนต้นเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีประโยชน์เดี๋ยวพักเดี๋ยวมาเล่นทิ้งละนะคุณมุนชูเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่า เบียดเบียนตนไหมบอกใช่เบียดเบียนผู้อื่นไหมใช่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่เอ้มันก็เลิกคิดได้เหมือนกันนะครับว่างั้นได้เลยนะครับว่าความคิดเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนอยู่ที่เราฝึกนะครับผมยืนยันได้เลยนะฮะท่านจะเปลี่ยนจากอกุศลมาเป็นกุศลทําได้แน่นอนถ้าหากว่าท่านสามารถ อท่านศึกษาให้ดีแล้วก็ฝึกให้ดีนะครับท่านเปลี่ยนได้จริงๆริงเจนพาอย่างสมมุติถ้าเราเห็นคนสักคนหนึ่งนะได้จะเจเริญเมตตากับเขาเนี่ยเราเห็นถึงเขาชั่วขนาดไหนก็าตามนะเรายังมองหาส่วนดีเขาเจอเลยเสม ม, มุตินะเราเห็นคนส ม, มมติว่าผู้หญิงด้วยการจับบางคนอาจจะไม่ชอบหน้ากันแต่ว่าในตัวของคนคนนั้นมีดีอยู่ไหมอันนะที่เราไม่ชอบเพราะเรานึกส่วนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยไม่ชอบ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 มันจะให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกเฉยๆเนี่ยเปลี่ยนยากมากเลยนะแต่พยายามไปนะจะเปลี่ยนได้แน่นอนนะแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนยากนะก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆถ้ายังยินดีในโทสะนะเราบอกเขาหน่อยนะแนะนำจิตเขาหน่อยจิตเอ้ยถ้าแกมีโทสะมากๆนะเวลาทุกข์ให้ผลต่อไปก็อย่าบ่นนะอะอากุศลไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกเมื่อไหร่ทุกก็อย่าเสียใจนะเพราะ ก, ก็ตอนนี้ก็ทําเหตุอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าเราค่อยๆแนะนําเขานะจิตบางทีมันก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละถ้าพูดกับเขาดีๆเขายอมกันไหนกะค่อยตะล่อมเขาหน่ะเดี๋ยวก็ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะมีใครทักทรไหมครับว่าเออนั่นมันเป็นเรื่องแก๊ปมีตัวมี ต, มตนก็ไปเปลี่ยนนี่ถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ยอมเพราะว่า มันเป็นประโยชน์อ่ะผมเปลี่ยนจากอากุศลเราเป็นกุศลเนี่ยใครจะว่ายังไงนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าช่างสอนย่อมดัดสอนชาวนาย่อมไขน้ำนะช่างถากย่อมถากเกวียนถากไม้เพื่อทำเกวียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนนะอันนั้นพระองค์ตรัสไว้เองเลยในคาถาธรรมบท น, นะ่าน ถ้าผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเพรา ะ, ะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยคำสอนเพื่อฝึกแต่ถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วยังเหมือนเดิมสแสดงว่าเราแขังมากอย่างน่าเลยอ่ะถ้าพูดใดนะปล่อยให้เป็นไปตามลมตามน้ น, นะเออปล่อยมันนะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่จะต้องคิดอย่างนั้นนะ่ะ ป่อยไปที่นั่นแหละลงนรกครับเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนเลยแล้วต้องคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งเออนี่แหละปัจจัยให้ตกนรกนี่แหละเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับได้ปัจจัยแล้วล่ะถ้าเรามีความคิดอย่างนั้นนะมันก็จะเป็นไปตามปัจจัยอย่างนั้นจริงๆได้ปัจจัยจริงๆอ่ะอถ้าอะไรไปโยนให้เรื่องปัจจัยหมดแล้วก็ได้เรื่องแลครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจปัจจัยจริงๆปัจจัยมีกี่กลุ่มมีกี่ชาติก้าชาติ อ่านะไอ้ที่ตกนรกเนี่ยมันชาบไหนอ่ะมันแล้วแต่ปัจจัยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเออนี่ท่านจะไปโน่นไหมบอกแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเขาว่าเราเนี่เข้าหัวใจจะเอาอยัางไงกันแน่วะเนี่ยแสดงว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะโยนให้ปัจจัยเลยลก็ถามเข้าไปว่านี่ท่านปัจจัยนะมียี่ยี่สิบสี่ปัจนะปจัยเหตุปรรุปัจจัยอรมณ์ปัจจัยที่ปฏิปัจจัยเป็นต้นเหตุมีหกเหตุ โลพาเหตุโทสะเหตุอ่ะแล้วก็โมหะเหตุอโลพาเหตุอโทสะเหตุอมโมหะเหตุมันอยู่ในเหตุข้อไหนหนึ่งในหกเนี่ยแล้วมันอยู่ในปัจจัยไหนในปัจจัยยี่สิสี่ที่ว่าเนี่ย<อ>เขาบอกว่าต่อไปผมเลิกพูดเรื่องเหตุปัจจัยแล้วเขาบอกคือไอ้เมื่อก่อนเนี่ยนะแปลไปจริงเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วแหละว่าเขาตอบไม่ได้นะเขาบอกเขาแปลว่าเขาไม่แน่ใจอ่นะแต่ทีนี้เขาก็จะให้มันออกตัวให้มันรู้ๆหน่อย ก็เลยเอาคําสอนมาว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยใช้เหมือนบัณฑิตพูดเลยพูดเหมือนบัณฑิตเปี้ยเลยนะแต่ไม่ใช่พอถามเข้าไปจริงๆเหตุหกเหตุไหนไม่รู้ปัจจัยไหนในปัจจัยยี่สิบสี่ไม่รู้ <c oughs> อันนี้แสดงว่าได้ปัจจัยแล้วล่ะจริงๆเหตุตัวปัจจัยแล้วคือปัจจัยโมหะเหตุนานสงสารนะขอเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยจับปคุณเล